ย่อมได้สวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีความทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายนี่แหละคือกรรมดำมีผลดำสองกรรมขาวมีผลขาวหมายถึงกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน